การปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียว่าพระพฤติพมจันทร์พระพฤติพมจันทร์คือมีเป้าหมายเพื่อที่จะดับทุกภายในใจเราให้ทุกน้อยลงไปแต่ถ้าหากว่ามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีวัตถุประสองค์อื่นอันนี้ไม่ตรงอย่างทำบุญสุนทาน ก็หวังว่าจะให้มันหล่ามันรวยมาขึ้นกว่าเดิมมาปฏิบัติธรรมก็อยากได้อานิสงส์ไปช่วยให้ลูกมันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ช่วยให้การค้าการขายมันดีขึ้นอันนี้ไม่ตรง มันไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทีนี้ประพุทธพรมอาจชั น, นพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสิกขาเป็นอานิสงมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแกนสารมีสติเป็นอธิบอดี เพราะนั้นเรามาปปุ้ดพมจรรันมาปฏิบัติรู้เป้าหมายแนละต้องมีเป้าหมายว่าจะต้องพ้นทุกคือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะถ้ามันยังเกิดอยู่มันต้องมีทุกอันนี้รู้เป้าหมายรู้พระประสงค์ของพระพุทธเจา้าแล้วทีนี้เวลามาปฏิบัติเราอยากรู้ การปฏิบัติของเราเนี่ยผลมันตรงไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าผลของการปฏิบัติของผลของการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยต้องมีสิกขาเป็นอานิสงส์เป็นยังไงเรามาประพฤติมาปฏิบัติก็คือได้มารู้มาเห็นตัวเองเนี่คืออานิสงส์ การมาปฏิบัติเนี่ยก็คือมารู้มาเห็นตัวเองเรื่องราวของตัวเองเห็นการเคลื่อนไหวของกายเราเราทำอะไรอยู่มีสติจิตใจของเรานึกคิดอะไรไปรู้เท่าทันมันมีเจตนาที่ไม่ดีเรารู้ทันมันก็ดับไปเราก็ละมันได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าถูกตรก ต้องเริ่มด้วยการเจริญสติมีสติมีสติแล้วก็เข้ามารู้เท่าทันกายเราจิตเรารู้เท่าทันแล้วอันนี้ถ้ามารู้เท่าทันกายเราจิตเราเรียกว่านี่แหละเป็นอนิสงส์ล้เนี่ยอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าการศึกษานะสิกขาคือการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็คือการปฏิบัตินี่แหละ ปฏิบัติก็เพื่อให้เรารู้กายรู้ใจเราเพื่อให้รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของหลางกายไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่เดินไปเดินมาดืมกินพูดคิดล้างถ้วยล้างจานรดน้ําต้นไม้ปลูกผักถอนหญ้าดา้ายหญ้านี่ให้มีสติอยู่อย่างเนี้รู้อยู่ที่ตัวเรา ในสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเป็นระบบอะไรนะต่ว่าต้องไปเข้าคอร์สอบรม5วัน7วันไม่มีนะคล้ายๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่เนี้ยในชีวิตประจำวันเนี้ยแต่ว่ามีการเจริญสติที่ไปทำคอร์สทำอะไรก็หมายความว่าไม่มีเวลาแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าว่าเออไปในสถานที่ที่เขามีกฎมีระเบียบมีคนสอนมีคนอบรมก็จะได้เป็นโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้แต่จริงๆแล้วมีสิขาเป็นอาณิสงก็คือเราอยู่กับชีวิตประจำวันนี้แหละอยู่กับธรรมชาติธรรมดากายเราใจเราเนี้ยแต่ว่า มีสติเข้ามารู้กายเราใจเราถ้าว่าเราทำอย่างนี้นี่แหละมีสิกขาเป็นอานิสงคือได้มารู้จักตัวเองทีนี้พอรู้กายรู้ใจแล้วสติมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็จะไปรู้เท่าทันกิเลสหยาบหยาบคือในใจเราเนี่ยทีแรกมันก็ยังหยาบหยาะ มันเคยชินกับการทำนู่นทำนี่ตามใจกิเลสตามใจความอยากความต้องการอยากทำอะไรก็ทำมันไม่มีสติควบคุมจิตใจอะไรเลยทีนี้พอเรามาฝึกแล้วโอ้โหมาเห็นนี่นะเนี่ยปัญหามันไปจากจิตเรานี่เองเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องขึ้นมา สิ่งไม่ควรทาก็ไปทาขึ้นมาสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไปพูดขึ้นมาสิ่งที่ไม่ควรคิดก็ไปคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทามันก็เลยวนเวียนอยู่แต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาพอเรามาปฏิบัติที่นี่มาเห็นสิที่นี่กิเลสหยาบๆพวกนี้ได้เห็นมันนี่เป็นการศึกษาแล้วเห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ้าว เห็นมันเกิดดับเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยพอนมาเมื่อไหร่เราทันมันมันดับไปนี่เรียกว่ากิเลสหยาบหยาบสติก็มารักษาจิตเราได้เป็นปกติขึ้นมาไอตัวที่จะฉุดจะลกจะดึงเราไปทางโน้นทางนี้มันไม่มีกำลังแนละ้วเพราะเรามีสติรู้มันเห็นมันนี่เรียกว่าสลนสลนีนิจะละ ก, กิเลสยาห ย, ยาบได้ ตัวก่อกวนขึ้นในจิตที่มันจะดึงให้เราไปทำทุจริตทางกายทางหลังกายไปฆ่าสัตว์บางลักทรัพย์บงประพฤติผิดในกรรมดึงสุรายาเมาทางคำพูดกันไปพูด โ, โกหกหมดเท็ดหรือว่ารายละเอียดเข้าไปพูดจา่าเสียดสีสอเสียด หยาบคายเพอ้อเจอ้พอพารุสวาจาไปเรื่อยมีแต่สิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นไทยแก่จิตใจทำให้ชีวิตมีปัญหามากสร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างเราถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วเออสติเราดีขึ้นเข้ามารู้เท่าทาันจิตของเราแล้วก็ละสิ่งหยับหยาบที่มันจะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เนี่ย อันนี้ถูกต้องแล้วนี่เครื่องวัดนนเนี่ยทีนี้พอจิตของเรามันเริ่มอยู่แนละ้วทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่านิวรณ์เวลาคนปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเครื่องฝึกจิตชนิดหนึ่งเขาเรียกนิวรธรรมเป็นธรรมที่จะมากัน้นไม่ให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิไม่ให้จิตเราตั้งมัน่นบางทีมันก็ง่วงมา อีแปลกพอจะเริ่มนั่งเนี่ยหมามันซึมๆลงไปทาถ้าจะหลับอยู่เรื่อยก็หมายว่ามันมันจะสงบแล้วมันจะเข้าผวังแต่สติเรายังอ่อนตามไม่ทันผวังของสมาธิกับผวังของการหลับเนี่ยมันใกล้เคียงกันถ้าสติมีกําลังเนี่ยผวังอันนั้นก็จะเป็นผวังตื่นเป็นสมาธิแต่ถ้าหาว่าผวังเนี่ยจิตมันจะเข้าผวัง สติเราอ่อนมันก็หลับไปนี่ที่จริงมันจะเป็นสมาธิแต่ว่าสติเราอ่อนเราตามมันไม่ทันไอ้แทนที่จะเป็นสมาธิก็เลยกลายเป็นนิวรนเป็นง่วงเป็นซึมเศร้านะสลึมสลือซึมเศร้านะจิตใจก็ท้อถอยจากอารมณ์ไม่ตื่น ไม่ตื่นตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แม้ความง่วงเรียกถีนะมิทะ น, น, นี่วอนความง่วงเหงาซึมเศร้าวความท้อถอยจากอารมณ์เพรบางทีง่วงงงมากไม่อยากเอาอะไรเลยนะมองหาแต่ที่นอนเลยนะเดี๋ยวตรงไหนพอนอนได้อยากจะนอนนะบางทีโอ้โหเอาจริงๆนะมันบีบคั้นเต็มที่เลยนะ เรียวธีนาะมิถานิว อ, อาบางทีพอเราเราจะควบคุมมันห้จิตเนี่ยโหมันเคยมันเคยคิดไปนู่นไปนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราจะจับมันมันดิน้นมันดิ้นเนี่ยโอ้โหเรื่องเกา่าๆโผล่ขึ้นมาไออยากได้นู่นได้นี่รุนแรงนะไม่ได้ก็เหมือนจะตายให้ได้ บางทีอารมณ์นิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทนแทบไม่ไหวมันก็เป็นนิวรณขึ้นมาขวางกั้นจิตการ ม, มาฉันทานนิวรณ์ทีนามิทานนิวรณ์พยาปทาทนิวร์เขาเคยว่าเราเคยโกรธพยาบาทขึ้นมาโกรธขึ้นมาพยาบาทขึ้นมาเป็นนิวรณ์มากั้นมาขวางจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ไม่เป็นสมาธิ อุทจักกุกุจกักจิตไปทา ง, งนู้นไปทางนี้เดี๋ยวบางเรื่องเอาอีกละปุ๊บเข้ามาลุ่มร้อนขึ้นในจิตใจเราเกิดความหงุดหงิดลำคาญขึ้นมาลุ่มร้อนขึ้นมาถ้าเรียกอุทจัจักฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาญกุกุจกักบางทีเกิดความสงสัยขึ้นมา บ, บ, บุบวัวับวิ่ง น, นี่มันอะไรปฏิบัติไปก็กลัวผิดเนี่ยกลัวไม่ถูก ก็ปฏิบัติไปไม่ได้ติดกลัวกังวลขึ้นมาแนละ้วถ้าแก้ไม่ได้บางทีไม่กล้านั่งไม่กล้าปฏิบตัติบางคนนั่งสมาธิสติอ่อนจิตมันเหมือนกับมันมันเล่นรอดไปอะ่ะก็ไปเห็นไปเห็นอะไรสักอย่างพอรู้ตัวพรจิตกลับมาคิดขึ้นมานะเอ๊ถ้าจิตจิตเราไม่กลับมาเนี่ย โอ้โหตายแน่ๆเลยสงสัยจะเป็นบ้าหรือเราตายไปกลัวขึ้นมาอีกอันนี้มีจริงๆนะเนี่ยเพราะไม่เข้าใจเรื่องของการปฏิบัตินี่ล่ะนิวรมันจะมีไว้สำหรับคนปฏิบัติถ้าหากว่าระนิวรนี้ไม่ได้ก็จะมากั้นสมาธิไม่เป็นสมาธิถ้าหากว่าละนิวรได้ เอารู้ว่ามันซึมก็พยายามทำให้มันตื่นลืมตาว่างบริหารยืดเส้นยืดสายว่าไปไม่จำเป็นต้องหลับตาอย่างเดียวรู้ตัวว่าจะง่วงจะซึมก็ต้องลืมตาไม่จำเป็นต้องนั่งในท่าสมาธิก็ได้ทำบริหารร่างกายทำให้มันตื่นขึ้นมาเก่งเนื้อเกรงตัวเดี๋ยวซ้ายแลขวา ไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ใช้ได้แล้วทำยังไงสติของเราเนี่ยจึงจะตื่นตลอดถ้าอย่างนี้มันก็แก้ได้ถ้าหาว่ามันจะมีนิวรณ์เราก็อบลมตัวเองว่าเนี่ยเรามีพอแล้วข่าวของเครื่องใช้มันมีอะไรติดมีอะไรข้องเราอบลมให้เรียบร้อยยังไม่มีความจำเป็นหรือว่าถ้าจะเอาก็ถึงเวลาวันนั้นวันนี้ค่อยเอาตอนนี้ จะนั่งสมาธิเราจะไม่คิดเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่าคิดไปก็ทำอะไรไม่ได้เราสอนเราอบรมเราแก้ไขมั น, นสงสัยอะไรซักถามท่านถึงว่าให้มีกัลยาณมิตรแล้วก็ฟังทมแล้วก็ซักถามให้เข้าใจข้ามพ้นความสงสัยแล้วก็ปฏิบัติสติก็พยายามให้มันต่อเนื่องเพื่อให้มันรู้เท่าทันจิตของเราไม่ให้ไป โดดไปทางโน้นทางนี้ไม่ไหลไปเพลินไปนี่เมื่อเราเตรียมตัวอันนี้สมาธิก็เกิดขึ้นมาทำพ้นนิวรานได้เป็นสมาธิสติสัมปะชัญญามีกำลังคือถ้ามันซึมมันรู้มันซึมเออปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันจะหลับไปเราทำอย่างนี้เออมันคงจะแก้ไขได้นี่เขาเรียกว่ามีสัมปะชัญญะมันรู้เหตุรู้ผล รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นนี่ก็มีศีลมีสมาธิเป็นอานิสงส์แล้วเพราะนั้นการปฏิบตัติการมาเจริญสติการมาอยู่วัด ต, ต้องมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าว่ามีนี่เกิดขึ้นเอาถูกแล้วปฏิบัติไปอีก จิตเป็นสมาธิสงบแล้วจิตอยู่ล้วแต่ก่อนมันมีแต่ไหลไปข้างนอกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ข่าวนี้มันไม่ไปมันกลับมาดูตัวเองที น, นี้มาตามดูกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างหมุนอยู่ในกายเราในจิตเราเนี่ยหรือว่าตามดูขันหา้าดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อันเดียวกันนั่นล่ะก็คือกายกับใจนี่ล่ะ ตามดูตามดูตามดูไปสติสัมปชญัญญะมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นจนจิตตั้งมัน่นตอนแรกยังไม่ตั้งมั่นนะมันยังตามดูอยู่เทาจิตตั้งมั่นนี่จิตไม่ต้องออกไปตามดูจิตอยู่เฉยเลยนะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันรู้เองทีนี้จิตอยู่กับจิตแต่รู้หมดนะทีนี้เห็นความเกิดดับจิตเห็นแล้วทีนี้จิตเห็นด้วยจิต ไม่ต้องตามดูมันเห็นเองมาถึงขั้นนี้นี่เรียกว่าเป็นขั้นมีปัญญายานลเนื่อปัญญาในทีน่นี้มันเป็นปัญญาที่เห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏการที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาวะธรรมเท่านั้นตัวเราจะไม่มีเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในสภาวะอัน ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นมีแต่สภาวะ ร, รมอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นสักแต่ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าใจในจิตมันมีนี่เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญานี่แหละที่ว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดปัญญาเป็นสิ่งยอดเยี่ยม ที่ปฏิบัติมาทั้งหมดก็คือต้องการศีลเป็นอานิสงสมาธิเป็นอานิส ง, ส ป, นนสงปัญญาเป็นอนิสงถ้าหาว่าเราปฏิบัติถูกต้องจะมีสิกขาสามนี้เป็นอานิสงไม่ใช่มีอย่างอื่นนะถ้าอยากเห็นนรกสวรรค์เอาละน่ะมันมันไม่ถูกแล้วหรือปฏิบัติไปเอามีตัวตนเพิ่มขึ้นไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานละ เราเก่งเราดีเกิดขึ้นมาอีกที่ทีมานะเพิ่มขึ้นอีกอ่าไม่ใช่นะไม่ตรงไม่เป็นอานิสงส์ต้องไม่ให้มันออกไปนี่ให้มันเป็นศีลละกิเลสอยากๆเจตนาทิศจะทำสิ่งที่ไม่ดีจะคิดจะทำจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องละกิเลสกลางๆคือพวกนิวรนทั้งหลาย ความอยากได้นู่นได้นี่รูบลดกลิ่นเสียงสัมผัสเกินความจําเป็นไม่ให้มันไปแต่ไม่ใช่ไม่เอานะถ้ามีเหตุผลเพียงพอก็เอาแต่ว่าในขณะปฏิบัตินี้ให้รู้ทันมันหรือว่าคิดไปกไม็มีประโยชน์คิดให้จบก่อนแล้วค่อยนําสมาธิก็ได้ถ้ามันมาตอนนั้นก็รู้ทันมันเห็นมันเกิดดับเป็นปัญญาไป พยาบาทเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นโทสะบุบวาบเกิดขึ้นเห็นมันรู้ทันมันมันดับไปจิตก็ตั้งมันขึ้นมาจิตเป็นสมาธิขึ้นมาศีนานิทะเกิดขึ้นเห็นมันเอาชนะมันได้แก้ไขมันได้ทําให้จิตตื่นขึ้นมาอุทจักกุบุจ่ามันจะฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเขาเารียกฟุ้งซ่านทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหงุดหงิดลำคาญขึ้นมาในจิตใจรู้ทันอีกรู้ทันแลมันล่าเขามันเองหรือมันก็คือพิจารณาช่วยนี่แหละบางทีมันต้องใช้ความคิดช่วยนำเพื่อให้เข้าใจเหตุผลแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาญาณมันเป็นเพื่อให้จิตเนี่ยมัน เป็นสมาธิเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นเนีย่ยเพราะนั้นบางคนก็บางทีก็คิดนำไปเดี๋ยวคิดเน อ, อเดี๋ยวเราก็ต้องตา ย, ยาตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราถ้าเผาไฟก็เป็นเถ้าเป็นถานเป็นผุ้ยเป็นโฟไม่มีเหลือแต่โยนลงน้ำก็เป็นอาหารของปลาของสัตว์น้าไปถ้าทิ้งไว้ก็พวกหมูมา น, น้อนนก แฟงกาจิกินมันไมได้เป็นเราเลยเนี่ยอย่างนี้ก็คือช่วยให้มันมีสติสัมปชัญญะเพื่อให้มันสงบเพื่อให้มันตั้งมั่เพื่อไม่ให้เกิดนิวรณ์นี่ถ้าหาว่าจิตเราสงบไม่มีอะไรรบกวนละจิตตื่นละนี่แหละได้แล้วอานิสงส์เกิดขึ้นแล้วนี่ตรงกับที่พระเจ้าตรัสเลย ไม่ใช่ว่าโอ้โหมาปฏิบัติแล้วท่าทางสูงส่งนะเป็นคนปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเป็นผู้ที่หน้าเขารบเก่งขามอันนี้มันไปปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นต้องรู้ว่าอานิสงของการปฏิบัติเนี่ย คือผลของการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือสติรักษาจิตของเราให้เป็นปกติละเจตนาที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีได้เป็นศีลสติสัมปชัญญะมีกำลังละนิวรณได้จิตเป็นสมาธิจนจิตตั้งมั่นขึ้นได้เรียย ว, ว่าสมาธิสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิมีกำลังเพียงพอจิตอยู่กับจิตได้อะไรเกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเห็นเองไม่ผ่านกระบวนการของความคิดจิตเห็นจิตรู้จิตเข้าใจนี่แหละธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยู้ะพุทอเจ้าูบอกว่าสอนสำหรับคนที่รู้คนที่เห็นทาไม่รู้ไม่เห็นมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะมีปัญญาญาณ จ, จะอยู่ในขั้นศีลอจิตสงบเห็นจิตตัวเองที่มันเคยอยากทํานู่นทํานี่มันก็หยุดแล้วมันไม่ไปมันไม่มามันหยุดจิตเป็นปกติได้มีขั้นศีล น, นะต่อมาเนี่ยจิตมันอยู่ในการกวาควบคุมของสติพระนิวรณ์ได้เรื่องราวต่างๆไม่มีจิตนีิตั้งมัน จิตตั้งมั่นนี่มันไม่เล่นหลอดไปไหนเลยนะจิตอยู่กับจิตได้เลยถ้ายังตามดูอยู่ช่วงนั้นก็แสดงว่าก็ยังเจริญสติสัมปชัญญะยังไม่อยู่ในขั้นตั้งมัน่นก็เป็นขั้นของการเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อความเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิระดับหนึ่งมันจะมีจังหวะมีล็อกของมันที่อริยมรรคเนี่ยมันสมบูรณ์ มันเหมือนมันเข้าไปอยู่ในล็อกนั้นมันเป็นเองทั้งหมดเลยนะจึิงเป็นอริยมรรคมีองป์ปดปัญญาญาณก็เกิดขึ้นเองเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคมันสมบูรณ์สัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิเห็นเป็นปัญญาโลกตระปัญญาโลกตระปัญญาแนวปัญญาแนวโลกตระเสก่ แต่ถ้ามันปางอันกิเลสได้ปั๊บจึงเรียกว่าโลกุตระเข้าสู่โลกุตระปัญญาขั้นโลกุตระเหนือโลกียเป็นภาลยัเจ้าถ้าครั้งที่หนึ่งก็เป็นพระโสดาบันเนเพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยบางทีท่านก็สรุปว่าพระโสดาบันต้องมีศีลสมบูรณ แสดงว่าผู้มีศีลสมบูรณ์เนี่ยหมายถึงพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลเบื้องตนคือพระโสดาบันจึงจะมีศีลสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลบ้างคือเห็นจิตเราเป็นปกติละเจตนาที่ไม่ดีได้ก็ได้อา น, นิสงส์บ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระเสขาบุคคลถ้าวศีล ส, สมบูรณ์สมาธิ ก, กลาง ปัญญาเล็กน้อยปัญญามันยังน้อยเป็นพระโสดาบันคือพระโสดาบันนี้ถ่าจะละความเห็นผิดได้เห็นผิดว่าเป็นเราเป็นของเราคือมันเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตเนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาไม่ยอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นมีแต่สภาพธรรมเท่านั้นมีแต่สภาวะธรรมเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นเราไม่ได้เลยอ่ะเราหลงเท่านั้นเองเนี่ยมทหารความหลงได้ ทน่นละสักกายะทิถิละความหลงผิดที่เห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้ถ้าอี้ศีลสมบูรณ์สมาธิยังไม่หมากปัญญายังไม่หมากพระสกิทาคามีศีลก็สมบูรณ์สมาธิมากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นถ้าภานาคามีศีล ส, สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ภานาคามีเนี่ยสมาธิทันเหมือนกับอยู่ในสมาธิได้ ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าขัน้นพระนาคามีแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยท่านสามารถพิจารณารมไปได้เลยเหมือนคนอยู่ในสมาธิเห็นอะไรปั๊บจิตมันก็ทํางานได้อบรมจิตได้แก้จิตได้เพราะสมาธิเต็มศีลเต็มสมาธิเต็มแต่ปัญญายังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะนั้นคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ย ความเป็นอยู่ของคนเรามันแตกต่างกันตามภูมิจิตบางทีจิตของคนที่มีสมาธิแล้วเนี่ยอยู่สบายๆเดินไปเดินมาก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำนูน่นทำนี่เป็นการปฏิบัติธรรมก็คอยละสิ่งที่มันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาละสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันละเอียดลวมันจะต้องมาละกิเลสขั้นละเอียดละทีนี้ ตัวตนขั้นละเอียดนะเพราะนั้นเวลาปฏิบัติไปยิ่งละเอียดเข้าไปเนี่ยโอ้โหรู้สึกความผิดเล็กๆน้อยๆก็ผุดโผล่ขึ้นมาตัวตนอาการของจิตอาการหนักๆในจิตเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันละเอียดเข้าไปแล้วปัญญาเนี่ยมันตามไปดูมันจะเป็นละกิเลสที่มันละเอียดละเอียดเขาเรียกอาสวะพวกหมักดองอยู่ในขันธสันดาน ที่มันสั่งสมเอาไว้หลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเป็นอสงไข่เนี่ยมันต้องเอาปัญญาเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปทำอะไรนะคือเราปฏิบัติเพื่อให้ปัญญารู้เห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันละของมันเองเนี่ยถ้าหาว่าเป็นอย่างนี้แสดงว่านี่หละมีสิขาเป็นอนิสง เริ่มตั้งแต่ถ้ามาประวัติมาปฏิบัติมาเจริญสติสติค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เริ่มละเจตนาที่ไม่ดีได้เป็นศีะลแต่เวลานี่วอนะเวลามันจะง่วงมาเออเห็นล้รู้แล้วแก้ไขลืมตาตั้งท่าให้มันตื่นพอมันสติเราต่อเนื่องมันทันขึ้นมามันก็ตื่นขึ้นมาได้มันหายได้ ให้พวกนิวรณ์เนี่ยมันได้อยู่ตลอดไปหรือมันคิดอยากได้นู่นได้นี่เราก็บอกได้สอนได้หรือทําความเข้าใจได้มันพยาบาทเราให้อภยัยให้โอสศีกรรมสอนอบรมตัวเองเออเราเคยทําเข้ามาบางทีที่มันต้องถกต้องเถียงกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราก็มีส่วนด้วยไม่ให้มันโยงความผิดไปหาคนอื่นอย่างเดียว ให้มันเห็นว่าเนี่ยความผิดมันอยู่ที่เราด้วยมันจะอ่อนลงไปถ้ามันเล็งออกไปแต่ข้างนอกมันไปเสริมกำลังมันเพราะไอ้ตัวที่มันออกไปนั่นแหละมันไปสร้างเรื่องสร้างแราวว่าตัวเองดีตัวเองเก่งเขาแย่เขาสู้เราไม่ได้น่ะมันเป็นตัวเป็นตนโดยที่เราไม่รู้ตัวต้องเอาให้มันโงูหัวไม่ขึ้นนีแตะตัวดีกำลังคิดอยู่นี่ละกำลังวิ่งออกไปนี่ละ กำลังอยากดีนี่ละ่ะกำลังอยากโกยอยากขวดนี่ละ่ะกำลังแสดงออกอยู่นี่ละ่ะนั่นกำลังอยากพูดนี่ละ่ะจ่อมันเข้าไปทีนี้กิดนี่หละมันจะเป็นละทีนี้โอ้มันเกิดดาบที่ไม่ได้มีอะไรเลยอะแต่ก่อนนะททำไมมันสู้ไม่ได้ทำไมมันถึงวิ่งตามมันก็เราไม่ทันมันอะมันอยู่เหนือเราอะมันมีอิทธิพลต่อเราอะ นี่เวลาปฏิบัตินี้มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่เอาอะไรนะไม่ให้มีตัวตนนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติมันจิตมันยังไม่ละเอียดเข้าไปกับอยากมีตัวตนอยากเด่นอยากดังอยากได้นูน่นได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นผู้จัดการอยากมีบริษัทบริวารอยากให้เขารู้ว่าเราเก่งมีธรรมะเลิศเลยโอ้โหมันไปหมดเลยนะ แต่ถ้าจอเข้ามาเนี่ยไอ้พวกนี้เยมันเกิดดาบนี่แหละมันจะมาสร้างตัวตนให้กับเรานี่เน ว, ว่ามันละเอียดเข้าไปมันจะไปเห็นกิเลสที่ละเอียดปัญญามันถึงจะละพวกนี้ได้อยู่เฉยๆนั่งแช่อ ย, อยู่งเงี้ยถ้ามันไม่ให้มาเห็นพวกนี้มันก็ละไม่ได้มันต้องเข้าไปเห็นสิ่งที่มันผุโพขึ้นมานี่เกิดดาบ มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพิจาะเข้าไปทีนั่นท่านถึงสามารถพูดได้แง่ของอริยสัจ ส, สีก็ได้เพื่อเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีน้ำหนักอยู่ในจิตดูมันเห็นมั น, เ ห, น, มนเห็นมันชัดเจนแล้วมันละเหตุแห่งทุกข์เองละสมุ ท, ทยัยแล้วแล้วทุกข์ก็ดับนะเพราะนั้นทุกข์นี่แหละสำคัญท่านวันนี้คือทุกข์ ทุกให้กําหนดรู้รู้ให้ชัดชัดแล้วมันเป็นละสมุทยัยตัวอยากตัวยึดเห็นมันดับไปเนี่ยมันมันก็ละไปแล้วนี่โลดก็แจ้งขึ้นมานั่นก็เป็นผลจากการปฏิบัตินี่แหละการปฏิบัตินี่ถ้าหาว่าเข้าใจแล้วเนี่ยมันมามันมาเป็นอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นได้ศีลได้สมาธิแล้ว ได้ปัญญาสูงสุดเมื่อปัญญาสูงสุดแล้วจิตจะคลายออกจะสลัดออกเนี่ยถ้าปัญญาระดับยังน้อยอยู่คือวสดาบันเนี่ยมันก็สลัดออกระดับนึ่งสกิทาคามีอนาคามีปัญญาเพิ่มขึ้นก็นละได้ละเอียดขึ้นถ้าเป็นพหลานละละได้หมดเลยตัวตนไม่มีเด็ดขาดเลย ทุกดับไปจากใจสนิทกิตก็หลุดพ้นเพราะนั้นพระพุทธจ้าจึงรับรองว่าวิมุติสาราหมายว่าที่เราปฏิบัตินี่มีเป้าหมายนี่เพื่อมาหาความหลุดพ้นนี่เพราะนั้นถ้าเราจะตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่ามีศกขาเป็นอนิสงส์จริงไหมไม่ใช่ยากอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเออมาปฏิบัติห้าวันเจ็ดวัน หวังว่าจะไปสมัครงานแล้วก็ให้ใดงานดีๆให้สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้หรือว่าลูกกำลังมีปัญหาก็มาปฏิบัติ อ, อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของลูกให้เทวดาดนจิตดนใจลูกให้เป็นคนดีถ้ามีเป้าหมายอย่างนั้นมันไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้า ถ้าว่าเรารู้มีเป้าหมายอย่างนี้จะทำก็ทำไปเป็นเป็นเป็นแค่ว่าเป็นผลปลอยได้แต่ว่าอานิสงต้องเป็นสิขามีสิขาเป็นานิสงคือได้ศึกษาคือได้ปฏิบัติคือได้รู้ได้เห็นจิตของตัวเองได้แก้ไขกิเลสหยาบหยากิเลสกลางกลางจนกิเลสที่ละเอียดลงไปแล้วก็รู้ว่าการปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการอย่างอื่น ไม่ใช่ภาพพดออกมาสวยหรูดีมีคนเขารบยกย่องนับถือเชิญไปนั่นเชิญไปนี่บรรยายอธิบายเขียนหนังสือหนังหาไม่ใช่อย่างนั้นมีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดปัญญาในที่นี้คือเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวเราจริงๆไม่ใช่เรามันเป็นสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น ถ้าเห็นอย่างนี้รู้เป้าหมายว่าเพื่อสิ่งนี้เอออันนั้นถูกต้องแล้วแล้วก็เพื่อหลุดพ้นไม่มีทุกข์คือถึงนผนิภานอย่างนี้ก็เรียกว่าตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าแสดงว่าปฏิบัติด้วยความเข้าใจสตาทิปเตยาต้องมีสติเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ เพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าหาว่าเรามาปฏิบัติโอต้องพยายามทำอันไหนก็มีสติล้างถ้วยล้างจานมีสติทําอาหารมีสติเก็บเห็มีสติรดน้ําต้นไม้มีสติทําอะไรมีสติของน้ำของส้มสักผ้ามีสตินี่คือสตารถิปัตยามีสติเป็นใหญ่มีสติเป็นอธิบดีถ้าหากว่ารวมเข้ามาแล้วสี่ข้อเนี้เรามีแล้ว เราทำถูกต้องตรงอันนี้คือตรงกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนสาวกของพระองค์ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงประชนอยู่พระสูตรจิวะสิกขานิสังสสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าพูดถึงอานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ของการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นเราตรวจสอบได้ตรวจสอบการปฏิบัติของเราได้ตรวจสอบการมาอยู่วัดของเราได้ว่าเราเดินตามทางของพระพุทธเจ้าตรงทางไหยคือมันพูดได้หลายแงย่จะพูดในเรื่องของอดีมมัคมีองแปดก็ได้อันนี้พูดในแง่ของสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเป็นอนิสงส์แล้วก็มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด คือปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งทั้งหลายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นนอกจากความหลงผิดมันจึงเป็นเราขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้ามันมีอะไรที่มีน้ำหนักขึ้นในจิตนั่นแสดงว่าตอนนั้นหละมันมีตัวตนแล้วมันมีความหลงผิดมีความเห็นผิดแล้ว มีอะไรวุว่วาเข้ามาปั๊บมันวันไหวขึ้นมาหนักขึ้นในจิตนั่นลหละมันไม่เห็นว่าสิ่งนั้นก็ ด, ดับสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นมันไม่ใช่เราเราถ้าหาว่าจิตเรามันมันเห็นอย่างนี้อันนั้นมันเห็นธรรมเห็นว่ามันถูกต้องความเห็นของเราตรงนั้นถูกต้องเลยเป็นปัญญาาณเกิดขึ้น ชั่วขณะก็ดีมันก็ปล่อยวางได้คลายวางได้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็เป็นสิ่งสูงสุดคือมันเป็นความจริงมันไม่มีเราเข้าวีเกี่ยวข้องมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเจ็บนู่นเจ็บนี่มันก็รู้ว่าเอานี่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของลูกใช้นานมันก็ บกคล่องพิกนวิการได้เจ็บปวดมุนชาขึ้นมาได้จิตรู้เห็นมันคายวางออกเห็นมันเป็นสภาวธรรมมันจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่มันสร้างความหนักใจขึ้นมาพอมันหนักใจปับ๊บมันมีตัวตนแล้วถ้าเราทันมันแล้วมันดับไปมันก็ไม่ใช่เราอไม่ว่าฝ่าลูกฝ่ายนา้ำ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความคิดความนึกความปรุงความแต่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาเพราะธรรมชาติของจิตมันเร็วมันอยู่อยู่มันก็นึกขึ้นมาได้มันมีสัญญามันได้ขึ้นมามนก็ปรุงแต่งได้เพราะมันเร็วมีสัญญามีสังขารอยู่ในจิตนั้นมันเกิดขึ้นในจิตเกิดในจิตก็ดับในจิต มันไม่ใช่เราเห็นเข้าไปเรื่อยๆนี่นเรียกว่าปัญญาญาตยิง่งละเอียดเข้าไปเห็นมีอาการไหวของจิตกับเพิ่มตัวของจิตเหนือการควบคุมของเราแต่ว่าอาศัยการฝึกฝนปฏิบัติปัญญามันยังเข้าไปเห็นเองเห็นแล้ววกที่มันเห็นแล้วรู้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอารมณ์ต่างๆก็ขาดไป สิ่งที่มันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเกิดแล้วขาดไปเกิดแล้วดับไปเรื่องราวต่างๆที่มันเคยพัวพันอยู่ในจิตของเราเป็นเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราบางเรื่องดับไปไม่ย้อนกลับมาอีกจิตก็ว่างเริ่มไม่มีอะไรมากนานๆนนก็ปรุงแต่งขึ้นมาทีนึงปรุงแต่งเนื่องจากว่าเรามีศีลมีสมาธิ คือใจที่ตั้งมันก็ทันเห็นมันนี่แหละเรียกว่ามีศิกขาเป็นอนิสงส์มีศีลสมาธิปัญญาศีลและสิกขาอธิ จ, จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาถ้าเห็นแล้วจิตมันยึดอะไรไม่ได้แล้วไม่อะไรเป็นเราเลยมันก็หลุดพ้นไป ถ้ามันยังไม่หลุดพ้นเรารู้แล้วเป้าหมายเนี่ยมันต้องหลุดพ้นแน่ๆเพราะมันคลายออกไปเรื่อยมันไม่อยากเอาอะไรเข้ามาลุงรังอยู่ในจิตถ้าเข้ามาลุงรังในจิตเมื่อไหร่เป็นทุกทันทีเลยมีน้ำหนักขึ้นในจิตมันไม่อยากเอาแล้วทีนี้ไม่อยากเอาในจิตไม่เอาเข้ามาในจิตแต่เวลาที่เราดาเนินชีวิตไปเราเอาได้แต่ปัญญาตรงนี้มันมีกาลังพอมันไม่สร้างตัวตนขึ้นมา มันเอาด้วยเหตุด้วยผลวาเอออันนี้มีความจําเป็นนะเนี่ยมันจะเอาเพื่อตัวเราไม่ใช่แต่มันมีความจําเป็นเอาเพื่อร่างกายเอาเพื่อธาตุขันเอาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อการปฏิบัติธรรมนี้อย่างนี้มันเอาด้วยปัญญาตัวตนไม่เกิดมีเหตุผลรองรับเบาสบายมีเข้าใจหลักการ น, น, นุนชีวิตไม่มีทุกมีเงิน สมควรเอาเอาไม่สมควรเอาเราไม่เอาชิ้นไปเขาวางเอาไว้นี่เจ้าของเขาไม่อยู่เรารู้ไม่ใช่ของเรามันต้องถามหาเจ้าของอะไรให้เรียบร้อยเก็บเอาไว้นียหรือให้เป็นส่วนกลางไปพร้อมอยู่ในวดัดนอกจากว่าเออมีคนให้มันถูกต้องเรารับเข้ามารับเข้ามาก็ให้รู้ต้องดูจิต ด, ด้วย มันมีตัวตนไหมมันพอใจไหมแต่เข้ามาอีกมันจะวิ่งไปประจบ ป, ประแจงเขาไหมไปเอาใจเขาไหมไปหาหนู่นหานี่ให้เขาเพื่อเอาใจเขามีไหมนี่มันจะไปอยู่ในจิตเราทั้งนั้นนะถ้าว่าเออมันเป็นผลผลความดีของเราเราอยู่วัดเราทําความดีเขามาเขาเป็นแขก เ, เราทําหน้าที่ของเราไป เขาช่วยเหลือเราเขาอยากทำบุญกับเรามันจะคนละอย่างกันนะกับไอ้ไปเที่ยวประจบประแจงแปลกเอาใจเนี่ยโอ้โหคนที่เข้ามาวัดเนี่ยบางทีเขาดูออกนะเขารังเกียจทันทีเลยนะอะนไรอยู่วัดเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้นี่เขาก็มองไปที่ครูบาอาจารย์โอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรู้หรือเปล่าล้วเนี่ยท่านสอนหรือเปล่าอบรมหรือเปล่า นี่ถ้าหาว่า ม, มีมีการปฏิบัติมันมีอานิสงเกิดขึ้นมันก็ต้องเห็นจิตของตัวเองแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้เมื่อสติดีเนี่ยบางทีผู้ศิษเจ้าท่านก็พูดรายละเอียดว่าเออเรื่องเรื่องสิกขาเนี่ย บางทีท่านก็สอนว่าให้มี เ, เรื่องเรื่องกิริยามารยาทความประพฤติและก็มารยาทเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสติเมื่อมันมันรู้เท่าทาันจิตแล้วเนี่ยมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดมันจะระวังขึ้นมา อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่างนี้มีมีกิริยามารยาทท่านามีความประพฤติ ท, ที่เหมาะสมด้วยคนอยู่วัดแล้วท่านที่สำคัญท่านพูดถึงอาธิพรมอาจารย์เป็นพรมอาจารย์เบื้องต้นคือเป็นไปเพื่อมีสติสัมปชัญญะและก็เป็นศีลสละศิขาาทิศศีลอาทิจิต อธิปัญญาหรือสีลสิกขาจิตสีขาปัญญาสิขาแล้วสรุปว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสูงสุดแต่ปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อพอใจดีใจเพราะนั้นตั้งแต่สติมาเลื่อยรักษาจิตได้เป็นสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาก็ยังไม่ใช่ไปเอาปัญญานะไม่ใช่ฉันมีปัญญามาก พูดธรรมะน้ำไหลไฟดับใครมาก็โหลดใส่นะคืออยากจะพูดเนี่ยความอยากในจิตมันไม่ทันมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นเพราะมันยังอยากอยู่มันก็วิ่งหาสิหาเหยื่อไอตัวเองก็เอาเหยื่อให้มันอยู่ตลอดไม่รู้ตัวแล้วแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตัวตนมันจะหมดล่ะก็เพิ่มตัวตนให้กับมันถ้ารู้ทัน ไม่ได้ไม่วิ่งแต่ถ้าสมควรแนะนำแนะนำแนะนาตามสมควรมีความพอดีไม่ใช่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปหลงยึดให้เขาเนี่ยชื่นชมยินดีว่าเรามีธรรมะนี่มันคนละอย่างนะอันหนึ่งรู้เท่าทันเลยไม่ก่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วรู้เป้าหมายแน่นอนเลยเพราะไม่มีตัวตนน่นนะ เพื่อหลุดพ้นไม่มีตัวตนก็คือว่าไม่มีอะไรไปก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ไม่มีเราไม่มีเราก็ไม่มีน้ำหนักขึ้นในจิตมันก็เป็นสภาวธรรมเฉยๆมันไม่ไปเพิ่มน้ำหนักขึ้นในจิตว่าเป็นเรามีหลุดพ้นวิมุตติสาราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าองค ส, งสงการประพฤติภพอาจา ร, รย์ มีิีขาเป็นานิสง์ปัญจุตรามีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดวิมุติสารามวีวิมุติเป็นแก่นสารสตาทิปัตยามีสติเป็นอธิบดีเพราะนั้นถ้าหาว่าเราเนี่ยรวบรวมการปฏิบัติของเราเนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าที่เราปฏิบัติมามันตรงไหมถ้าเราทําถูกทําตรงนี่ก็ประมวลเข้ามาได้ว่า เ, ออเดินถูกทางแล้วเหมือนกับเราจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเรามีจุดหมายแล้วว่าจะไปตรงนั้นแล้วก็รู้ทางที่จะเดินไปเดินถูกทางแล้วก็มั่นใจว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนที่เรา พูดสูตรนั้นสูตรนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เอาเข้ามาให้มันได้รับประโยชน์เพราะในสมัยที่พระพุทธเจ้ยายังทรงประชนอยู่พระองค์ก็สอนคนจำนวนมากบางคนก็พูดพระสูตรนี้เขาเข้าใจเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลบางทีก็พูดพระสูตรอื่นเนี่ย เอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดให้มันเหมาะสมกับอัธยาศัยแต่ของเรานี่มันไม่ได้ไปรู้อัธยาศัยก็ต้องพูดไปอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ของพระพุทธเจ้าท่านตัดกับครที่ไหนเขาเอามารวมไว้ใน พ, พระไตปิฎกเราก็เอามาพูดในเชิงของการปฏิบัติ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบดูได้ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันตรงไหมเนี่ยถ้าพสัสตรนี้ก็ตรงพะสูตรนั้นก็ตรงเออมันก็ทําให้เรามีกําลังใจทําให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นผลของการปฏิบัติมันก็เจริญก้าวหน้าเพราะเราไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราแล้วมันก็ตรงทาง แล้วก็มีจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องถ้าว่าเรามีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนมีความขมักขมันจเจริญสติสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปให้จิตตืน่นเราก็แน่ใจได้ว่าผลของการปฏิบัติจะต้องมีความจเจริญก้าวหนะ้าเอาวันนี้ ผู้ได้ฟังแค่นี้ก่อน จะรู้จกใด้วยพระองค์เอง